หัวข้อหมวดธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับหมวดนี้ฉันไม่อาจคิดเองได้และในระดับที่ยังนึกนึกคิดคิดจิตไม่ตั้งมั่นในตอนนี้ฉันไม่สามารถเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีหมวดสุดท้ายในสติปัฏฐานสี่ทุกอย่างผูกกันตามลำดับหรือกระจายเป็นเอกเทศก็ไม่ทราบ ฉันต้องใช้วิธีอ่านแบบตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดแล้วพบความจริงอย่างหนึ่งคือถ้ามองในแง่ความยากง่ายต้องบอกว่าหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตนั้นน่าจะเป็นพื้นฐานที่ง่ายกว่าหมวดธรรมวัดจากเนื้อหาก็ได้ส่วนหนึ่งของกายคือลมหายใจใครๆก็รู้ส่วนหนึ่งของเวทนาคือสุข เฉยอย่างนี้ใครๆก็รู้ส่วนหนึ่งของจิตคือภาวะมีราคะมีโทสะมีโมหะกดหูฟุ้งซ่านหรือสงบอย่างเนี้ใครๆก็รู้ได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรู้ได้โดยความเป็นของเทียบเคียงกันแต่สำหรับหมวดธรรมจะไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เทียบเคียง แต่จะให้รู้สภาวะหนึ่งหนึ่งโดยความเป็นของเกิดขึ้นและดับลงตรงๆหรือไม่ก็ให้ดูว่าขณะหนึ่งหนึ่งที่รับผัสสะกระทบเข้ามานั้นปฏิกิริยาทางใจออกไปในทางทยานเข้ายึดหรือว่าสักแต่รู้และ ว, วางเฉยเสมอกับอารมณ์นอกจากนั้นยังมีเรื่องละเอียด พระพุทธองค์รวมเอาข้อธรรมชั้นสูงมาให้พิจารณากันที่หมวดธรรมนี่เองเพราะฉะนั้นฉันจึงสรุปว่าเมื่ออบรมหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมากพอจิตมีความตั้งมั่นเอาตัวรอดจากการครอบงำห ย, ยาบๆทั้งหลายในโลกได้แล้วสติจึงคมชัดมากพอ จะสามารถปฏิบัติในหมวดธรรมสรุปคือในขั้นนี้ตอนนี้ฉันยังไม่อาจวางแผนอะไรได้เข้าใจว่าถึงจุดที่อิ่มตัวในหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตพอสมควรแล้วคงรู้เองว่าจะก้าวรุกคืบเพื่อชิงชัยกับกิเลสด้วยหมวดธรรมได้อย่างไร